ความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังท่าไรแต่หลประพุทธญาณกำลังเสนอพุทธวิธีในด้านต่างๆที่พระพุทธศาสนทรงใช้ก่อนจะสัตรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาตามระดับมาถึงช่วงหนึ่งรับสั่งไว้ในปฐมสูตรอายกคุรวัคมาวารวัคสังยุตนิกาย เป็นการรับสั่งเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังความว่าภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การ จ, ะจะรัตสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ จ, ะจะัตสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มีความสงสัยเกิดขึ้นว่าอะไรหนอเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเจริญแห่งอิทธิบาทภิกษุทั้งหลายความรู้ข้อนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าภิกษุนั้นๆย่อมเจริญอิทธิบาท อันประกอบด้วยทำเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นประธานนักิจว่าด้วยการอย่างนี้ฉันทะของเราย่อมมีในลักษณะที่จักไม่ยออ่อจรที่จะไม่เข้มงวดเกินไปที่จักไม่สยบอยู่ในภายในที่จะไม่สายไปในภายนอกและเราเป็นผู้มีความรู้สึกทั้งในการก่อนและในการเบื้องหน้าอยู่ก่อนนี้เป็นเช่นใด ต่อไปเป็นเช่นนั้นต่อไปเป็นเช่นใดก่อนนี้ก็เป็นเช่นนั้นเบื้องล่างเช่นใดเบื้องบนเช่นนั้นเบื้องบนเช่นใดเบื้องล่างเช่นนั้นกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนตัวย่อมรมจิตอันมีแสงสว่างด้วยจิตอันเปิดแล้วอันปิดแล้วไม่มีอะไรพัวพันให้เจริญด้วยอาการอย่างนี้เออประเด็นหลักก็คือเรื่องของอิทธิบาท อิทธิบาแปล ว, ว่าคุณธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ตนต้องประสงค์ก็มีธรรมะหลักอยู่สี่ประการแต่ตามปกติแล้วเวลาเรียงเต็มชี่เนี่ยเ็เรียงว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารแปล ว, ว่ามีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นประธานในกิจหรือทาหน้าที่เป็นประธาน ว่าเราพูดโดยพื้นฐานทั่วไปเราก็เรียกว่าชั้นธาวิริยญาจิตตาวิบังศาเป็นกระบวนการธรรมะที่ปฏิบัติหนุนเนื่องกันไปจนสามารถปฏิบัติพัฒนาจิตให้มีความสม่ำเสมอการทั้งกลางคืนกลางวันเป็นต้นเป็นลักษณะหมุนเป็นวงกลมคือจะเริ่มต้นจากวิบังศาคือจัน์การใช้ปัญญาพิจารณาสอดสองมองเหตุมองผลเสก่อน ว่าทํำยังไงเนี่ยจิตใจมันจึงจะหนักแน่นมั่นคงที่มีอย่างต่อเนื่องคือมีลักษณะที่ไม่ ย, อยอ่อหย่อนและในขณะเดียวกันก็ไม่ตึงเครียดจนเกินไปแล้วก็ไม่ย่อหย่อนจนเกินไปให้ประคับประคองจิตได้อยู่ในระหว่างตรงกลางไม่เวี่ยงไปซ้ายแล้วก็เวียงไปขวา ในขณะเดียวกันก็ไม่ไ ม, ไม่นิ่งคือคือไม่ยอมเขยื่นเรมีความพอใจสมมติเราเมีความพอใจในกุศลอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ก็ไม่เห็นทำอะไรก็มีแต่ความพอใจครึมครึมอยู่ภายในแต่นั้นเดงเหมือนกับเราพอใจที่จะรับประทานอาหารแต่ไม่รับประทานพอใจที่จะอ่านหนังสือแต่ไม่อ่านพอใจที่จะทำงานแต่ก็ไม่ทำ ก็แสดงว่าผลที่เราต้องการจริงๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ดองการฝึกปลือในเรื่องหลดนี้จึงต้องอาศัยตัววิมังสาคือตัวปัญญาพิจารณาสอดส่องที่จะมองให้เห็นในกระบวนการของอิทธิบาทซึ่งกหมายความว่าอิทธิบาทนี้ถ้าหากว่าก็เดินไปได้ด้วยดีมันจะให้สำเร็จในกิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เจาะจงเรื่องมรรคผลนิพพานเพีงอย่างเดียวนะะแม้แต่ว่า เราจะเรียนหนังสือจะทำงานจะปฏิบัติหน้าที่ราชการจะขับรถจะซักผ้าจะรีบผ้าเนี่ยฮะล้วนแล้วแต่ต้องมีอิธิบาตอยู่ระดับหนึ่งเสมอคือหมายความว่าจะต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นการกระทำว่าอะไรอย่างไรนะทาโดยวิธีใดทําไปแล้วเนี่ยจะสำเร็จประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีความพอใจในทั้งตัวเหตุตัวผล คือตัวเหตุที่เกิดผลและตัวผลที่ให้ประสบความสุขความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าแก่ตนตเราก็ต้องพอใจทั้งสองอย่างและตัวความพอใจนั่นเองจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงไม่ไม่สัดสายก็ทํานองคล้ายๆกับเราตั้งใจจะไปซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปถึงก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจเรื่อยอย่างนี้ก็แย่ คือไม่ประสบความสาเร็จสักคราหนึ่งแต่ด้านการใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องมองถึงเหตุถึงผลตุอย่างนี้ก็จะก่อเกิดผลอย่างนี้ผลอย่างนี้มันจะเหตุอย่างนี้แล้วในที่สุดก็ลงมือประพฤติกระทาในส่วนที่เป็นเหตุและการกระทำนั้นก็มีความเพียรพยายามก้าวรุดไปข้างหน้า เป็นการประครับประคองความเพียรเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าความเพียรนันหย่อนโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทามันก็เป็นไปได้ยากถ้าความเพียรตึงเครียดเกินไปในสุดมันก็เบินเดินไปไม่ได้ก็ทํานองพินสามสายอย่างที่เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะสัตวรูปเหมือนกันนั่นเองเราเห็นว่าลักษณะโครงสร้างเหล่านี้มันก็ใช้ในที่ตัวตัวไป ความเพียรจะทําอะไรสมมุติเราอ่านหนังสือแต่เราอ่านกันยดหลับแล้วหลับอีกสับงกแล้วสับงกอีกโอกาสที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจหนังสือเหล่านั้นก็เป็นไปได้ยากเพราะไรเพราะความเพียรย่อจอนมันไปถูกทีนนิมิท h เข้าไปครอบงําคือวงเงาห้านอนกับครอบัำที่จริงบางทีในกรณีเนี้ยในกรณีนี้บางทีก็ตึงเกินไปจนวาร่างกายทานไม่อยู่ บางทีก็หย่อนเกินไปจนไม่มีความเพียรแล้วก็เป็นเรื่องของความง่วงเพราะทำยังไงว่าจะมีความเพียรพยายามนั่นแหละแต่ว่าไม่ถึงก็ถูกความง่วงครอบงำในขณะเดียวกันก็ไม่ถึงก็ทรมานร่ากาจนเกินไปเป็นการรักษาความเพียรได้ดาเนินไปเพราะแนวธรรมะของการปฏิบัติจึงต้องมีเป็นเรื่องของธรรมันทะลักษณะที่ต่างกัน เราเห็นว่าฉันท่าที่จริงมันเป็นความอยากปความพอใจในตัวผลประการหนึ่งเหมือนกันเราถามมันต่างกันอย่างไงมันต่างกันในข้อที่ว่าถ้าเป็นฉันท่าแล้วมันจะมีวิริยะคือจะมีความเพียรพยายามความเพียรพยายามนั้นเป็นอาการของความเข้มแข็งกล้าหารเด็ดเดี่ยวของจิตที่จะมุ่งมั่นไปสู่ผลตามที่ตนต้องการแต่โลภะนั้นมันออกมาในรูปของเกียรติการ คือต้องการได้เยอะเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันตัวเองก็เกลียดครั้งต้องการรวยเป็นเศรษฐีทำยังไงจะรวยได้แหละเลยก็เล่นหวยเป็นสลากกินแบง่งเล่นหวยเล่นเกมโชว์เสียงโชคอะไรต่ออรตางๆด้วยความโลภอยากได้แต่เนื่องจากมันเป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากโมหะคือความหลง นั้นคนโลภบางทีไปปล้นไปจี้ไปคอรับชั้นไปโกงกินไปยักยอกไปติดสินบนอะไรอะไรไปกินสินบนอะไรต่างๆเนเพราะว่าแ ก, ขก่ขี้เกียจขี้เกียจมามาพวกเดียวกันความกุศลอย่างหนึ่งเกิดอกุศลอย่างหนึ่งก็เกิดแต่ว่าธรรมฉันทะเนี่ยที่เรียกก็ฉันทะนะแต่ว่าเน้นให้เห็นว่าเป็นธรรมฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่ดีงามมื่ก็รู้ว่าเป็นเรื่องของเหตุผล มันก็ตานองคล้ายๆกับความพอใจที่จะเป็นผู้สงบอย่างสมณะที่เกิดขึ้นภายในประไทัยของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเสด็จออกพนวดเนี่ยนั่นก็มีลักษณะรราการทำอัญถะว่าทรงเห็นว่าสาทุโ ข, ข ป, รประชาการบวชนี่ยดีนักแต่ปัญหาสําคัญอย่างสําคัญว่าทํายังไงจะเป็นนักบวชได้แล้วจะเป็นผู้ที่สงบอย่างนั้นได้ในสุดก็เสด็จออกพนวดศึกษาค้นคว้าอย่างที่กล่าวมาแล้วตามลําดับ ผความเพียรเนี่ยเรากล่าวโดยสรุปเมื่อก็มองถึงปัญหาอุปรสรรคต่างๆว่าอะไรเป็นปัญหาอุปรสรรคแห่งความสาเร็จจะต้องพยายามขจัดปัญหาอุปรสรรคเหล่านั้นออกไปแต่ปัญหาอุปรสรรคที่จริงก็มีอยู่สองช่วงนะช่วงหนึ่งก็คือยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิดขึ้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาอุปรสรรคเหล่านั้น เกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันปราวรสสักที่ปรากฏในขณะนั้นวิมังสาคือจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาสอด ส, ส่องมองให้ชัดเจนปราวรสสักบางอย่างมันไม่ใช่มีความรุนแรงอะไรแต่ว่ามันเป็นทำลายอุดมการณ์คือเป้าหมายสูงสุดของเราคล้ายๆกับที่พระโพธิสัตว์ไปศึกษาในสำนักอัลาดาบทกาลามโตรุตตะดาบทรามบุตร เดาเจนว่ารูปชานะรูปชาณหรือสมาบัติทั้งแปดเนี่ยจริงมันเป็นอุปสรรคแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นผลที่พึงปรารถนาปนัญหาว่าเรามองจากไหนล่ะแต่เรามองจากเราซึ่งเป็นสามัญชนเนี่ยการได้สมาบัติแปดเนี่ยมันเยี่ยมมันสามารถสงบสุขอยู่ในปัจจุบันได้ไม่มีกิเลสมากรุ่มรุมมาก่อกวนมาสร้างความสับสนในแก่จิตใจ ว่ามันเจริญอยู่บ่อยๆเนี่ยแต่วันในขณะเดียวกันมันเป็นไปเอว่าเพื่อวัตฏะแต่ถ้าท่านเหล่านั้นชอบวัตฏะชอบการมุนบวชนี่ทางสารวัฏยังมีอาการของพระวัฏนาอยู่เยอะตายไปแล้วถ้ากรเกิงเกิดเป็นพรหมโลกก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรเวลานี้ที่มันดุ้งๆเนี่ยคนบางพวกก็สอนเรื่องนิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้น แต่ว่าลักษณะนิพานมันเป็นชาติมันเป็นภพมันเป็นแดนมันเป็นที่อยู่มันเป็นตัวตนไปบังเกิดในสถานที่นั้นซึ่งไม่ใช่นิพานในพระพุทธศาสนาแต่ถามว่าพุทธศาสนาแสดงสภาพอย่างนั้นไว้หรือไม่กขบอกว่าแสดงแสดงไว้ในฐานะที่เป็นวิขัมภนะวิมุตคือจิตหลุดพ้นด้วยการสยบกิเลสเอาไว้ กิเลสไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าถูกสยบประไว้ไม่มีอํานาจอิทธิพลในการทํำปฏิกิริยาต่อจิตในจิตสับสนแกล้งไปไปก็ดีกว่าหลายๆขั้นตอนนะดีกว่าอาบายดีกว่ามนุษย์ดีกว่าเป็นเทวดาดีกว่าเป็นรูปพรมระดับร่างๆก็เรียกว่าตั้งแต่รองจากท่านเป็นต้นมาในตั้งก็เหนือกว่าแล้ว แต่ก็ไม่ใช่นิพพานในพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าเป็นการพักสังสารวัฏอยู่ตอนท่านพอใจในตัวนี้ท่านเพียรพยายามไปถึงจุดนี้แล้วท่านก็หยุดเมื่อก็เป็นความสมัครแก่ของท่านเป็นความดีส่วนตัวท่านแต่อย่าเอาไปให้สับสนปะปนกันกับหลักการและการสูงสุดในพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่อยู่ตรงนั้นตัวถ้าอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็ ไม่จําเป็นจะต้องออกจากสำนักอุตตะดาบทรามบุตรนะเพราะว่ามันจบแล้วแต่การจัดสรุของพระพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์ของพระองค์ไม่มีก็แสดงว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่เกี่ยวคือไม่ใช่ไม่ใช่พวกอรูปชาณนะรูปชาณแต่ถามวาเกี่ยวโยงกันไหย ม, มันก็เชื่อมโยงถึงกันนะฮะเชื่อมโยงกันเพราะว่ามันเป็นทางผ่าน ที่ไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะพวกนี้เป็นจิตสิกขาเป็นส่วนของสมาธิโดยเฉพาะรูปฌานสี่นี่เป็นส่วนของสมาธิา ป, าปัาปหาวิชันท่าเราอยู่ตรงไหนเราก็เพียงพยายามไปถึงจุดนั้นปัญหาอุปสัรคจึงจึงขึ้นอยู่กับว่ากับว่าเราต้องการไปถึงไหนล่ะในขณะที่มันเป็นอุปรสรรคต่อคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เป็นอุปรสรรคต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องการไปแค่นี้เองก็ต้องการบังเกิดในสวรร์มีเทพบุตรเทพจิดาเป็นบริวารห้อมล้อมสนุกสนานเพลิดเพลิน อ, อยู่ในสวงสวรรค์ถามว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคของท่านก็คือมนุษย์เนี่ยการได้ตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นอุปสรรคของท่านเพราะท่านได้จะต้องพัฒนาจิตใจให้เกินความเป็นมนุษย์ไปมีปรากฏเป็นเทวธรรมขึ้นมาภายในใจเพราท่านเป็นเทวดา ถ้าก็พอใจในตรงนั้นมาก็เราจะเห็นว่าเป็นฉันทาเป็นบริยยเป็นจิตตะเป็นวิมังสาที่ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนไปเรื่อมาถึงจุดนั้นก็พอแล้วพอใจแล้วท่านก็มีสิทธิที่จะเลือกตรงนั้นคือการเสนอธรรมะในพระพุทธศาสนาในตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปที่ก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือการศัรูเป็นพรานตสมมาสัมพุทธเจ้า จนธรรมะนั้นเป็นตาที่โนคือคงที่อยู่นะหมายความว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเจ็กลางวันก็เหมือนกลางคืนก็เหมือนกลางวันนะฮะข้างนอกข้างในก็เหมือนกันหมดเลยสภาพจิตเนี่ยไม่ไม่ถูกโยกครอนวันไหวไปตามกระแสะอารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะถึงในองการประคับประคององค์ธรรมเนี่ยก็มีความเข้ม ข, นข้นขึ้นไปโดยลาดับ ฉันถ้าความพอใจเองก็จะต้องมีความต่อเนื่องเพื่อให้วิริยะขับเคลื่อนไปได้เพราะถ้าความพอใจมันหย่อนเนี่ยหรือความพอใจมันเกิดหยุดพอใจว่าพอแล้วตรงนี้พอแล้ววิริยะก็ก็หยุดนะก็หยุดความพยายามแต่ไม่ใช่เป็นหยุดหมายปลายทางเพียงแต่ว่าผู้เดินก็พอใจที่จะอยู่ตรงนั้น มีความยินดีในตรงนั้นมีความสยบติดมีความเพลิดเพลิน อ, อยู่ตรงนั้นก็เป็นความถูกต้องในตรงนั้นเมื่อเรามาเทียบกันหลักของประโยชน์สามระดับที่ส่งแสดงไว้โดยสรุปนะเราจะเห็นชัดเจนว่าเป็นการแสดงธรรมะเพื่อให้เลือกเอาใครพอใจจะอยู่ตรงไหนก็ได้พอใจในความเป็นมนุษย์พอใจในความเป็นเทวดาพอใจในความเป็นพรหมพอใจในความเป็นอรูปพรหมพอใจในการเป็นพระริยาเจ้า ก็ตามแต่ใจที่จะเลือกเอาแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกระดับหนึ่งนะคือทรงมองที่จะชาอิทธิบาทเป็นพลังในการขับเคลื่อนเราจะเห็นว่าพวกกลุ่มอิทธิบาทเนี่ยบางที่จริงก็เป็นกลุ่มของเจตสิกขากับปัญญาสิกขานะครับอย่างฉันทาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของสมาสังกัปปะ แล้วก็วิริยะก็เป็นสมาวิยมะจิตตะก็เป็นสมาสติสมา ส, สมาธิมีมังสาก็เป็นสมาธิสัมมาสังกปะก็เห็นชัดเจนนะฮะว่ามันเป็นอาการของอริยบัตคเพราะมุ่งผลสูงสุดเพราะว่าเลยศีลมาแล้วเป็นการพูดระดับที่เลยศีลมาแล้วพวกนี้มันอยู่ในเครือของโพธิปัจจะธรรมสามสิบประการนะฮะตัวอิทิบา ท, ทั้งศีนี่อยู่ในเครือของโพธิปัจจะธรรมสามสประการ เป็นการศึกษาการิบัติคือจิตตะจิตใจที่จะมุ่งมั่นเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่ท้อถอยแล้วก็ประคับประคองรักษาความเป็นกลางเอาไว้ไม่เวียงไม่แกว่งแล้ววิมังสานี่จะกำกับอยู่ตลอดตรวจสอบพิจารณาทั้งสามองค์ธรรมเนี่ยตลอดซึ่งก็ในพระสนามจริงๆก็คงไม่ได้มีเฉพาะสีข้อนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นอาการหนุนเนื่องของกลุ่มกุศลธรรมท ำ, ำลายทั้งหลาย แนวของการปลูกพืชอย่างที่เคยยกตัวยอย่างอยู่เสมอเนี่ยเพราะแนวปลูกพืชเป็นแนวที่มันชัดแล้วก็พระเจ้าทรงแสดงเองก็ไม่ใช่ว่าเองพระเจ้าทรงแสดงเองว่าเปรียบเหมือนบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปบนพืน้นดินแล้วพออย่างเขาจะร่อมย่อมจะต้องได้รับผลของพืชชนิดนั้นคนทําความดีก็รับผลดีคนทําความชัว่วก็รับผลชัว่วเป็นภาพที่ชัดเจนแจ่มใส ปรากฏแก่ใจของบุคคลทั้งหลายที่สนใจใส่ใจที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะงั้นตัววิมังษาซึ่งที่จริงก็อยู่ข้างหลังจะ ต, ต้องผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบก่อนเราดูตัวอย่างตอนพวิเคราะห์ตรวจสอบที่พยายมามมาขวางทาง เ, าเสด็จออกประวัของเจ้าชาจิตตะทะ กล่าวว่าศิท ธ, าธาะอย่าออกบวชเลยอีกเจ็ดวันท่านจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแล้วจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีม้า ส, สมุทรสากรทั้งสี่เป็นขอบเขตอะไรต่างก็ว่ากันไปมันวิมังษาจะต้องเกิดขึ้นพิจารณาเทียบเคียงสอบสวนแล้วก็เทียบเคียงช่างน้ําหนักทั้งสองฝ่ายแล้วเสร็จเสร็จแล้วก็ความพอใจมันก็เกิดทวงไปในทางที่จะมุ่งผลไปสู่การเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า หรือแม้แต่ตอนที่ไปอยู่ในสำนักอาจารย์ทั้งสองที่อาจารย์ทั้งสองชวนให้อยู่เพื่อได้ร่วมเป็นครูสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยกันเนี่ยอยู่ในศักดิ์ศรีสถานาทะทัดเทียมกับอาจารย์มันก็เกิดวิมังสาพิจารณาและฉันทาวิริยะจิตตะลงก็มุ่งไปสู่ผลที่ไกลประนั้นไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่ดีหรอกปฏิเสธว่าไม่ใช่เป้าหมาย ไม่ใช่เป้าหมายที่พระองค์ส่งประสงค์ที่เสด็จออกผนวชในคราวนี้ไม่ได้ประสงค์อย่างนี้แต่ประสงค์ที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เพราะว่าการปฏิบัติอย่างนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดตุกจุกนั่นเลยไดต้องมุนบนในสังสารวัฏอยู่ซึ่งธรรมะในลักษณะนี้มันก็ใช้ได้ทั่วๆไปเช่นสมมติอาการเรียนหนังสือเนี่ยทั้งหมดในอิธิบาทสีเนี่ย เช่นเราต้องการเรียนจบแค่อาชีวศึกษาคนบางคนไม่ต้องการปริญญาบัตรจตต้องการประกาศนียบัตรบางฉบั บ, บ, บแล้วนอกนั้นก็พัฒนาเองศึกษาเพิ่เมเติมมาเองไปเรียนจากภาคสนามถ้าพอใจอย่างนั้นก็ไปนะฮะบางคนประสบความสาเร็จโดยพื้นฐานความรู้ระดับปวชนี่เยอะบางคนอาจจะพอใจต่ำกว่านั้น แต่ว่ามีชั้นท่วิทยาจิตตาวิมังสาอย่างต่อเนื่องในภาคสนามนี่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเป็นการศึกษาคนา้นคว้ามีการวิเคราะห์ตรวจสอบมีการทดลองเราก็พราะว่ามีคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่พื้นฐานความรู้เดิมเนี่ยไม่ได้มากหรอกแต่ว่าท่านเรียนจากภาคสนามกระบวนการก็อิสิตบาสมันก็เดินหนุนกันไปได้ตลอดเหมือนกันหรือบางคนมุ่งผลไปสูงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆ แล้วก็มีผลงานโดดเด่นมากือกันแต่ว่าประการสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าตัววิบังสาหรือตัวปัญญาเนี่ยจะต้องไปลดตัวโมหะลดความไม่รู้เรื่องวิชาลงไปเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเสียหมดทั้งระบบเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาปลูกสันทาก็ปลูกผิดเพราะปัญญาไม่มากพอแยกแยะไม่ชัดเจนว่าอะไรมันเป็นอะไร อาจจะพอใจในเรื่องที่ไม่ควรพอใจหรือไม่พอใจในเรื่องที่ควรพอใจนะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเช่นเนี้ยเช่นโพระโมคคัลานาภาษาดิบุตรกับสัญชยัยซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยคือมีความชัดเจนมากว่ารู้เรื่องเดียวกันแต่ว่าภาษาดิบุตรประโมคคัลานานั้นมีวิมังสาพิจารณาเห็นตลอดสายเลย สายของอาจารย์สันชัยนั้นมันตีบตันอยู่ขา้างหน้ามันไปไม่ได้แร้วมันบล็อกตัวเองไว้ตรงนั้นแต่สายของพระพุทธเจ้าตอนนั้นที่จริงท่านเป็นประโสดาบันท่านยังเห็นว่าไปได้ไกลแล้วก็ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เลยแตเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยตนต้องการอะไรสันใชท้ท่านก็ท่านต้องการก็ท่านเนี่ยท่านต้องการจะ เ, เป็นใหญ่เป็นคณะาจารย์เจ้ารถที่มีลูกศิษย์ลูกหามีบริษัทบริวา ร, รห้อมล้อม ท่านไม่ยอมเป็นลูกศิษย์คนอื่นก็เป็นเรื่องความสมัครใจของท่านท่านก็เลือกของท่านอย่างนี้เราจะเห็นว่าอิทธิบาทของท่านก็ไปกระดับหนึ่งเหมืกันทีนี้ในภาสาริบุตรพระโมกขัลยาณนะท่านก็มีของท่านจะมีอิทธิบาทมีความเข้มข้นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าอาการที่เด่นชัดเนี่ยของภาษาดิบุตรก็คือไม่สยบอยู่ภายในแล้วก็ไม่สายไปในภายนอก เป็นผู้มีความรู้สึกทนายการและการเบื้องหน้าอยู่ในขณะนั้นและการต่อไปเนี่ยเราเมื่อก่อนเป็นเช่นไรนะฮะต่อไปก็เป็นเช่นนั้นต่อไปเป็นเช่นไรเมื่อก่อนก็เป็นเช่นนั้นอะไรก็ว่าไปเรื่อยคือเสมอเป็นผู้มีจิตใจสม่ำเสมออยู่ด้วยธรรมะที่เขาเรียวกว่ามีธรรมะสภาวะจิตอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกแต่ว่าเรียกเมื่อเป็นพ่านแล้วนะฮะเรียวกว่าตาชิโน่คือเป็นผู้คงขี่ ไม่ว่าสิ่งข้างนอกจะมาโยครอนจะให้หวั่นไหวจะขู่ให้กลัวจะยั่วให้อยากจ ะ, ะคุกคามไม่เกิดความสับสนยังไงก็ตามแต่ท่านก็ตั้งอยู่อย่างนั้นมีความมั่นคงเหมือนภูเขาสิลาแท่งทึบที่เมื่อหวั่นไหวด้วยลมซึ่งพัดมาจากทิศ ท, ทั้งสี่นี่ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งที่ทรงคิดทรงพิจารณาในขณะนั้ น, น, นเป็นการตรวจสอบดูด้วยพระไถยของพระองค์เอง แล้วก็มันก็ได้แนวไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเห็นว่าก่อนยะสัตยรู้มันก็พวกเหล่านี้ก็เกิดมาผสมผสานเกิดมาผนึกเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วกลายเป็นพลังสร้างสรรค์พัฒนาจนโรงได้สัตรู้ต้องฟังทงั้งหลายในรบพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟัง ท, งทั้งหลายโด้วยทุกันสวัสดี